ข้อควรระวังในการลงสนามจริงจะทาโดยปริศนาพโลปกรเพื่อความแน่ใจว่าจะไม่พูดผิดเมื่อถึงเวลาต้องลงสนามจริงก็ควรเพิ่มข้อควรระวังที่ต้องท่องไว้ให้มั่นยาไว้ดังนี้ข้อที่หนึ่งตั้งโจทย์ให้ชัดว่าคุณต้องการถอดถอนความอาลัย ตั้งใจให้ผู้ป่วยปล่อยวางไม่ใช่พยายามปลูกฝังความเชื่อหรือเอาชนะกันด้วยเหตุผลใดๆถ้าใจผู้ป่วยปล่อยวางได้เตรียมจากไปอย่างสบายใจได้ไม่ติดค้างกับ บ, บาปอกุศลเก่าในช่วงก่อนป่วยไม่ทำ บ, บาปอกุศลใหม่ในช่วงใกล้ตายให้ถือว่าภารกิจสาคัญสาเร็จลุล่วงแล้ว หากไม่ท่องไว้ให้ขึ้นใจว่านี่คือภารกิจสำคัญอันดับหนึ่งวิธีชวนคุยของคุณจะแกว่งและไม่มีการประเมินผลที่ชัดเจนว่าภารกิจของคุณได้ผลขนาดไหนแล้วข้อที่สองดูสิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วยตาเปล่าอย่าเตรียมไว้ในใจว่าต้องทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนตายตัว เช่นเมื่อสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยประสบกับความเจ็บปวดทรมานหรือกําลังรู้สึกไม่อยากตายก็ให้หลีกเลี่ยงการพูดถึงความตายแต่หันไปคุยเรื่องอื่นให้ผู้ป่วยลืมเรื่องที่ตนกําลังจะตายต่อเมื่อสังเกตว่าผู้ป่วยพร้อมจะฟังหรือเป็นคนเปิดฉาขึ้นมาเองอย่างนี้คุณค่อยไหลาตามน้ําได้ ข้อที่สผู้ป่วยต้องการความรักความห่วงใ ย, ยใกล้ชิดมากกว่าคำพูดหลออประโลมพื้นพื้นฉะนั้นคุณควรทำมากกว่าพูดถ้าพูดว่ารักหนึ่งครั้งคุณต้องมีวิธีแสดงความรักสิบครั้งเช่นยอมสละเวลามาเยี่ยมอย่างสม่าเสมอหรือมาอยู่ดูแลคอยชวนพูดคุยไม่ให้เหงานั่นแหละถึงจะทำให้ผู้ป่วยเชื่อสนิทใจ ไม่ใช่พูดว่ารักสิบครั้งแต่หลังจากนั้นไม่เคยมาเยี่ยมอีกเลยข้อที่สความทุกข์อันเกิดจากความอาลัยอาวรโศกเศร้าของคุณรบกวนจิตใจผู้ป่วยได้ถึงขั้นตายตาไม่หลับฉะนั้นอย่าคิดว่าการแสดงความเศร้าโศกคือเครื่องหมายของความรักความรักที่แท้จริง ควรเป็นไปเพื่อหยิบยื่นความสุขและความสว่างให้แก่กันหาใชยครอบงำให้แต่ละฝ่ายตกอยู่ในเงามืดทางใจของการและกันข้อที่หอย่าพูดถึงบาปหรือแม้แต่จะเฉียดไปในเรื่องไม่ดีที่ผู้ป่วยเคยทำเพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดไม่ดีเกี่ยวกับตนเองไม่เลิก เว้นแต่ผู้ป่วยอยากสารภาพผิดเองเพราะความรู้สึกผิดเป็นสิ่งมีแรงกดดันคลายสิ่งอุดตันให้อึดอัดในอกาะใกล้จะตายก็อยากระบายด้วยการสารภาพผิดกับใครสักคนคุณต้องรับฟังดีๆและโต้อตอบในแบบที่ทำให้ผู้ป่วยคลายใจว่าเรื่องดีๆมีให้นึกถึงมากกว่านั้นเยอะ ข้อที่หเมื่อพบว่าผู้ป่วยเสื่องซึมไม่มีแกจิตแกใจพูดคุยอย่าชวนคุยในลักษณะนบนถามเช่นทำไมไม่พูดละ่ะทำไมไม่ยิ้มละ่ะฉันมาอยู่ด้วยแล้วเบื่อใช่ไหมเป็นตน้นคำพูดทำนองเนี้จะยิ่งตอกย้ำให้อารมณ์เสื่องซึมกินลึกเข้าไปอีกที่ถูกคือคุณต้องตั้งคำถามประเภทกระตุ้นให้คิดให้นึกอยากตอบด้วยอารมณ์ที่สดชื่นไม่หดหู เช่นทายสิเช้าเนี้ยฉันมีอะไรมาเล่าให้เธอฟังเป็นต้น